ก็ว่าไม่ทราบว่าเอาอะไรเป็นเครื่องวัดมันต้องตรวจให้ดีๆนะหลักมาตรฐานสากลที่เอาไว้วัดว่าเออพบคนเนี่ยยังพบคนดีอยู่ไหมพบคนชั่วอยู่ไหมเป็นต้นเนี่ยเช็คให้ตรวจสอบให้มันดีๆมาอย่างนั้นนี่ก็ซื้อก้อนกรวดนึ่งกัซื้อเพชรนี่งนะแต่ราคาเท่าเพชรเนี่ยเอาไหมนี่นะอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องว่าผู้ที่ตั้งสติสัมปชัญญะว่าจะได้พบผู้มีศีลเนี่ยบอกว่า เราภิกษุเจ้าถิ่นไม่ปรารถนาให้เพื่อนสะพรมจารีที่มีศีลมาที่นี้ก็แปลว่าเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสไม่ทาสามีจิกรรมไม่มีการต้อนรับรับบากปูอาสนะพัดด้วยพัดใบตาลเป็นต้นแกเราภิกษุผู้พรหมจารีที่มาถึงสมมติเนี่ยนะสมมติถ้าหากว่าพระที่ท่านมีความรู้มีความสามารถ มีความรู้มีความเข้าใจพระธรรมวินัยเป็นอย่างดีเนี่ยนะท่านเกิดมาเยี่ยมเราอย่างเงี้นะไม่ชอบเลยเราเห็นหน้าปั๊บเน่ยอะไรนะราศีไม่เข้ากันเลยอย่างเงี้นะชะตาไม่ไม่เข้าชะตากันเลยอย่างเงี้ยกับผู้มีศีลถ้าอย่างเงี้ก็หน้าสงสารนะใช่ไหมไม่รับไม่เชื้อเชิญไม่รับบาตดีไม่ดีบอกกันเขาวาว่าเออที่นี่กุฏิไม่ว่างครับอย่างเง้นกุฏิกุฏ กุิไม่ว่างอ่ะถ้าพูดครับด้วยก็ค่อยยังชั่วหนอยใช่ไหมยังมีคําหวานอยู่นิดหนึ่งปัญหาว่าไม่มีคําเหล่านี้เลยนี่สิที่นี่ไม่รับแขกไง น, นะครับอย่างมากก็ดีแล้วนะเรื่องอะไ ร, รจะไปอยู่ในรังตอใช่ไหมแล้วก็หน้าบูดหน้าบวมแับมาหละก ง, งั้นเพราะว่าเขาอะไรจะอันตรายเท่ากับคนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีอีกแล้วโดยเฉพาะคนที่ไม่มีศรัทธาในพระรัตนะตรัยเนี่ยนะถ้าเราได้ยินได้ฟังคําพูดของเขาแล้วนี่สะเทือนใจมากๆเลยนะ นะบอกว่าเขาจากพบนี้แล้วจะไปไหนนาะเขาจะไม่ตายกันหรือไงน้อเนี่ยคิดแบบพระพุทธเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ปรารถึงพระเจ้าเประเซนที่โกรธศนบอกว่าเอ๊ะพระราชาพระองค์นี้พระองค์จะคิดจะไม่สิ้นพระชนหรืออย่างไรว่างั้นนะก็แปลภาษาไทยว่าท่านไม่ตายเป็นหรือท่านตายแล้วท่านจะไปไหนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็อย่าคิดว่ามันยืดยาวอะไรนะบางคนเนี่ยทำตัวเหมือนแหมอยู่กับกุฏิอย่างนั้นเนี่ยไม่ตายนะปัญหาว่ามันเน่าคากุฏินี่สิยุ่งเพราะฉัน ถ้าไม่ไม่พิจารณาไม่ไข้ครวนไม่ทบทวนเลยเนี่ยนะสแสวงหาสาระจากชีวิตไม่ได้เลยยิ่งเข้ามาในพระศาสนาด้วยแล้วนะถ้าไม่สังเกตไม่ใจจดใจจอ่อไม่ตั้งจิตตั้งสติเป็นต้นเอาไว้ให้ดีเนี่ยเข้ามาในพุทธศาสนาเราได้อะไรบ้างเนี่ยนะนอกจากเนี่ยตาเห็นหูได้ยินจมูกรู้กลิ่นลิ้ น, นรับรู้รสอาหารมันเยอะแค่นั้นนะนะยังอื่นมันให้อะไรบ้าง มันก็ต้องตรวจสอบให้ดีๆว่าถ้าได้สิกขาสามแสดงว่าถูกต้องแสดงว่าเจริญถ้าศิกขาสามไม่เจริญแสดงว่าน่าสงสารทีนี้ถ้าหากว่าไปเจอวัดที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยนะไปเจอกลุ่มพระพิสุทิ์ที่ไม่มีศรัทธาไม่ต้อนรับเชื้อเชิญผู้มีศีลเป็นต้นก็แปลว่าท่านทุศีลเมื่อท่านทุศีลอย่างนั้นเสียงตีเตียนของพิสุทผู้มีศีลก็จะระบือไป วัดโน้นนะไม่มีศีลไม่เลื่อมใสไม่กระทําวัดปฏิบัติแก่ภิกษุผู้เข้าไปสู่วัดไม่ต้อนรับอาการตุกตาผู้มีศีลเลยบรนประชิตผู้มีศีลเป็นต้นเนี่ยเดินผ่านแถวนั้นเดินผ่านประตูวัดก็ไม่ยอมเข้าวัดนิมนต์เข้าวัดนะครับบอกไม่เป็นไรครับผมยังพอไปต่อได้อยังไงนะเพราะฉะนั้นภิกษุที่ยังไม่มาก็ไม่ยอมมาด้วยประการชนนี้สําหรับภิกษุที่มาแล้วมาเข้าไปถึงแล้วแม้เจอต้อนรับปฏิสันทานจาก นายเจ้าของวัดแบบนี้เข้าเนี่ยนะหมายรู้อย่างนี้ไม่มาสักก็ดีรู้ไม่น่าแต่สินใจพลาดแบบนี้เลยนึกว่าดีที่นายได้ไม่ใช่นะก็คิดจะออกไปได้ยังไงเนี่ยหาเวลาบางทีก็บางองค์นี่ก็คิดได้กลางคืนก็ไปกลางคืนบางองค์คิดได้กลางวันก็ไปกลางวันเพราะอยู่ที่นี้มีแต่เสื่อมมานะเสื่อมจากอะไรเสื่อมจากอาริยทรัพย์เสื่อมจากศรัทธาเป็นต้นนั่นเองทีนี้พิสูจนเจ้าถิ่นทั้งหลายเนี่ยนะถ้าไม่พบผู้มีศีล ถ้าผู้มีศีลไม่มาเยือนเลยก็แปลว่าอะไรคือคนเนี่ยมันอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วเชีถ้าไม่คบผู้มีศีลแล้วคบใครอ่ะก็คบคนทุศีลเพราะฉะนั้นก็คบพวกพอๆกันเนี่ยนะบอกว่าคบคนเช่นใดก็จะเป็นเช่นนั้นถ้าเราไม่ต้องการครบคนที่ดีกว่าเก่งกว่ามีศีลมากกว่ า, าไม่สมาธิสมาถาวิปัสนาถ้าไม่ต้องการครบผู้ที่มีอริยทรัพย์มากกว่า ไม่ต้องการพบที่ประพฤติปฏิบัติดีประพฤติปฏิบัติชอบมากกว่าก็แปลว่าเราต้องการคบคนที่ระดับเสมอกันและก็ล่างกว่านั้นบอกได้เลยว่าคนนั้นเนี่ยค่าที่เป็นจริงอะ่ะเขาเป็นประเภทไหนเ็าบอกว่า okay. คนจะเจริญจะเสื่อมนะวิธีตรวจสอบง่ายๆมากถ้าใจของเขาคิดถึงแต่คนระดับต่ำกว่าแนวโน้มความเสื่อมเนี่ยสูงถ้าพอๆกันฉลาดเท่ากันก็พออยู่คงที่ ถ้าคบคนที่ดีกว่ายิ่งกว่าก็สูงยิ่งกว่าก็นะตรวจสอบได้เลยว่าเราเนี่ยเป็นกลุ่มเจริญหรือกลุ่มที่ตกต่ำเพราะฉะอย่างเนี้ยที่ทั่วๆไปจะบตาเราว่าถ้ายังฝักฝ่กับพระพุทธเจ้าอยู่ก็เจริญอย่างเดียวนะเจริญเติบโตอย่างเดียวแต่ถ้าพระผูธเจ้าคิดถึงน้อยเต็มทีคิดถึงแต่คําของคนผานทั้งหลายอันนี้ก็อย่างว่านะพระจันข้างแรมอยู่แล้วเสื่อมไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อย พันผู้ที่ไม่ได้พบผู้มีศีลก็ไม่มีใครที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ความสงสัยเกิดขึ้นก็ไม่สามารถบรรเทาความสงสัยได้ไม่ได้ศึกษาธรรมะที่เป็นสาระไม่ได้ฟังธรรมอันไพเราะในเบื้องต้นคือศีลสมถะไพเราะในท่ามกลางคือวิปัสสนาอริยมรไม่ได้ฟังธรรมที่ไพเราะในเบื้องปลายคือมรรคผล น, นะอริยผลนิพพาน นั่นก็ไม่ได้ฟังธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางเลยที่สุดเพราะฉะนั้นก็เมื่อไม่ได้รับธรรมที่ยังไม่ได้รับไม่ได้ทําการสาธยายธรรมที่รับเอาไว้แล้วเสื่อมถ่ายเดียวว่า ง, งั้นตกต่ําอย่างเดียวต่ําขนาดไหนก็ต่ำถึงขนาดว่าถ้าหากว่าติดในจีวรตายแล้วก็ไปเป็นแมลงเฝ้าจีวรถ้าติดในกุฏิก็ตายแล้วก็ไปเป็นอะไรเฝ้ากุฏิเนี่ยนะถ้าติดในที่วัดก็ตายแล้วก็ไปเป็นอะไรอยู่แถววัดเนี่ยนะก็ขอให้ไปดีมีสุขเถิดเนี่ยนะ แต่นี้ถ้าไปไม่ดีแล้วก็เป็นแมลงอะไรเฝ้าวัดเนี่ยนะยุ่งเลยแต่ถ้าตรงกันข้ามตรงกันข้ามภิกษุที่ไม่เสื่อมันนะก็บอกว่าภิกษุเหล่าใดปรารถนาจะให้เพื่อนสัพพรมจารีผู้ประพฤติพรหมจรรย์คือประพฤติในอธิสีนาธิจิตอธิปัญญาอ่ น, นะที่ยังไม่มาก็ขอให้มาเป็นต้นภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีศรัทธามีความเลื่อมใสาทาการต้อนรับ อัญชลีกรรมสามีจิกรรมประพฤติดีปฏิบัติชอบต่อเพื่อนสะพรมจารีที่มากันแล้วถ้าถึงท่านมาก็จัดเสนาสนะให้พาเข้าไปพิกษาจารย์คือท่านท่านเป็นผู้มาใหม่เนี่ยท่านไม่รู้หรอกว่าตรงไหนบินทบาทได้อาหารไม่ได้อาหารก็พาท่านไปบินทบาทท่านเหล่านั้นก็จะช่วยบรรเทาความสงสัยให้ น, นะคือถ้าอย่างอย่างที่ว่านะถ้าหากว่าพระพิสุบริการดีต้อนรับปฏิสันฐานดี ผู้ที่มีธรรมทั้งหลายเขาก็มีใจเอื้อเฟือที่จะให้โอว่าที่จะแนะนําสั่งสอนเนี่ยนะอย่างว่าพอไปเจอคนที่แหมไม่มีศรัทธาเลยมันถึงจะรู้ก็มันก็ไม่อยากจะพูดใช่ไหมมันก็อยากเงียบๆมาว่าโอ้นี่มนผมขอพออยู่เงียบๆได้ไหมอย่างเงี้ยนะก็จะคล้ายๆแบบนั้นแหละแต่ถ้าหาว่าเจอผู้ที่เขามีศรัทธามีมีเลื่อมใสก็อยากพูดคุยด้วยอยากจะช่วยเหลืออยากจะเกือ้อกูลแก่กันและกันด้วยธรรมมักระถาอันไพเราะ เมื่อเป็นอย่างนั้นเหล่าภิกษุเหล่านั้นก็ชื่อเสียงก็จะฟุ้งไปว่าภิกษุวัดโน้นเป็นผู้มีศรัทธามีความเลื่อมใสมีใจกรุณารู้จักสงเคราะห์เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนสัพพรมจารีเป็นต้นภิกษุทั้งหลายได้ฟังเรื่องนั้นแล้วแม้ไก่ก็พากันเข้าไปภิกษุเจ้าถิ่นก็กระทำวัดแก่ภิกษุอาคาันตุกะเหล่านั้นมาใกล้ๆไหว้าอาคันตุกะผู้แก่กว่าแล้วก็นั่งถืออาสนะนั่งใกล้ๆ้อาคันตุกะผู้อ่อนกว่า ถ้าเป็นอคันตุกะผู้เข้ามาเนี่ยนะเป็นพระเถระมีพรรษา ม, มากกว่าก็เข้าไปกราบคอยปรนิบัติรับใช้เป็นตน้นถ้าเป็นพระพิสุผู้อ่อนกว่าก็ไปนั่งใกล้ๆ ก, ก็ถามว่าท่านจะอยู่วัดนี้หรืออย่างนั้นก็อบอกว่ า, าท่านจะอยู่ไหมพักหน่อยไหมบอกว่าผมจะไปต่อแล้วบอกที่นี่สบายนะอาหารหาไม่ยากอย่าไปเลยอยู่ที่นี่สักคืนก่อนได้ไหมเป็นตอนก็จะค่อยๆอย่างเงี้ยในที่สุดถ้าพระอคันตุกะเป็นผู้แตกฉานพระวิยัย วิไนัยทองแปลว่าผู้ส่งพระวินัยท่านก็จะสาธยายวิไนัยให้ฟังท่านก็จะเล่าพระวินัยให้ฟังสอบถามปัญหาใไขขวนเรื่องปัญหาวินัยถ้าพระคันตุกะทรงพระสู่หรือทรงพระพิธรรมก็จะมีการสนทยายธรรมะนั้นๆในสำนักพระธรรมทรผู้ทรงธรรมเหล่านั้นตั้งอยู่ในโอวาทของพระเถระและ้วบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมพิธะเพราะว่าท่านเหล่านั้นทรงจําหนทางข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลอภิญญานั่นเอง ตอนแรกพระภิสูจนอาการดุกะคิดว่าจะอยู่สักสองวันใช่ไหมพอได้รับการอุปถาคก็เป็นสิบวันสิบสองวันก็กลายเป็นว่าอยู่ตลอดไปเนี่ยนะอาการที่อยู่ตลอดไปก็อย่างที่ว่าสัตว์บุรุษอยู่ที่ใดอยู่ที่นั่นก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเป็นจํานวนมากอยู่แล้วเนี่ยนะมันธรรมะทั้งเจ็ดข้อที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะเรียกว่าอปริหานิยธรรมเป็นธรรมที่เป็นเหตุให้ไม่เสื่อมคือ ถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยนะคำพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสอปริหานิยธรรมชุดนี้เนี่ยนะซึ่งแสดงต่อตอ ต, อ, ต, อ, ต, อ, ตอหลายชุดเนี่ยมันเป็นเหมือนคําสั่งเสียของพระพุทธเจ้าบอกวิธีคิดให้ว่าทํายังไงจึงจเจริญทํายังไงจึงจะเสือ่อมเพราะหลังจากนั้นไปแล้วพระองค์จะไม่ได้คอยอยู่โอวาดแล้วนะจะให้แต่หลักการเขาไว้เท่านั้นเพราะหลังจากนั้นพระองค์ก็จะปรินิพานพระพุทธเจ้าตรัสพุทธพจน์นี้ตอนที่พระองค์มีพระชนมายุประมาณ 79ปีแล้วนะพระชนมายุ79ปีเ้าปีวันอีกภายในรอบปีก็ดับขันปริณิพานแล้วเพราะฉะนั้นให้แต่หลักการเอาไวไ้ ว, วินิจฉัยเอาไว้ใคร้ครวนเอาไว้ตรวจสอบนะว่าเหตุแห่งความไม่เสื่อมเจ็ดประการทบทวนนะหนึ่งประชุมกันเนืองๆสองพร้อมเพียงการประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมทำกิจที่สงควรจะทํามไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่ พระองค์บัญญัติไว้สมาทานประพฤติในสิกขาสามตามที่พระองค์บัญญัติเอาไว้แล้วสี่บูชาสการะพระเทระผู้รัตตันยูบวชมานานผู้เป็นหัวหน้ า, านะแล้วก็หัวหน้าในการปฏิบัติสิกขาสามข้อห้าไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจตันหานำไปสู่พบใหม่หกยังห่วงให่ในเสนาสนะป่าเจ็ดตั้งสติไว้ที่จะอะไร เพื่อนผู้มีศีลทั้งหลายที่ยังไม่มาก็ขอให้มาเพื่อนสัพพรมจจรีผู้มีศีลเป็นที่รักที่มาแล้วก็ขอให้อยู่สบายอันนี้เป็นเครื่องตรวจสอบว่าถ้ายังเป็นไปตามหลักการเจ็ดประการนี้แปลว่าความเจริญเนี่ยเพิ่มขึ้นไม่มีเสื่อมแต่ถ้าข้อใดพลาดมีปัญหาก็แสดงว่ารอวันเสื่อมอย่างเดียวอันนี้เป็นเครื่องตรวจสอบกลุ่มที่หนึ่ง ดูความพิสูุทั้งหลายก็อปปริหานิยธรรมเจ็ดประการเหล่านี้ยังจัดตั้งอยู่ในภิกษุทั้งหลายและพิกษุทั้งหลายยังจับเห็นดีร่วมกันในอปปริหานิยธรรมเจ็ดประการเหล่านี้ตลอดการเพียงไรพิสูจทั้งหลายเพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้นในอปปริหานิยธรรมข้อเจ็ดอีกประการหนึ่งนะดูค่ามพิสูุทั้งหลาย แตถาคดจักแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ประการอีกหมวดหนึ่งแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงทําไว้ในใจให้ดีเพราว่าเอาโมโยนิโสฟังก็คือเงี่ยหูฟังให้ดีนะส่งจิตตามเสียงที่ได้ยินได้ฟังอันนี้เรียกว่าจงฟังจงใส่ใจถ้าจะคิดตีความตีความใัดไขครวนตามพุทธพจน์ที่ได้ฟังไว้ว ใ, ให้ดีเรียกนะว่าจงฟังจงใส่ใจให้ดีเนี่ยนะอ่าเรียกว่าจงฟังเนี่ยเป็นลักษณะของปะโตโคสะ ทำไว้ในใจให้ดีเป็นโยนิสโสมณสิกานันนะต่หาคตจะกล่าวต่อไปพิสูจน์เหล่านั้นก็กราบทูลรับว่าพร้อมแล้วพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีพระดำรัดต่อไปว่าดูก่อนพิสูทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายจักไม่เป็นผู้มีการงานเป็นที่มายินดีจักไม่ยินดีในการงานไม่ประกอบเนืองๆซึ่งความมีการงานเป็นที่มายินดีตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายเพ่งหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้เห็นตรงนี้อธิบายเพิ่ ม, เ ต, มเติมว่า อ่ะ น, นะชอบงานเนี่ยนะชอบสร้างงานขึ้นมาใหม่ๆทําอะไรบ้างเช่นตัดจัดจีวอนทาจีวอนทากล่องเข็มทําถลกบาด ท, ทำํำสายโยกทำเริงเชิงรองบาดทําเขียงรองเท้าทําไม้กวาดถ้าบางทีนึงก็เป็นอยังไงนะโอ้ยนั่งอะไรนะเนี่ยทาเชิงรองบาดเนี่ยทำเป็นเดือนก็ ย, ยังไม่เสร็จเนี่ย น, นะฉันเสร็จเนี่ยมานั่งเหลาขาบาดเท่าั้นเวาเหลาขาบาด นั่งเลาเลาเสร็จแล้วก็มาเย่เอามาแต่งแต่งไปได้ครึ่งหนึ่งอ้ไม่ถูกตาหรือทําใหม่ทิ้งแล้วก็หาไม้ไผ่มาใหม่แล้วก็มานั่งเลาโอ้ยนั่นแหละกว่าจะเสร็จแล้วก็บางทีเนี่ยหมดเวลาไปเป็นเดือนเดือนนะไอ้ขาบาดนั่นก็ยังไม่ได้ใช้เลยะเพราะว่ามีการงานเป็นที่มายินดีบางทีก็นั่นแหละทําสลกบาดเนี่ยนะใช้ไม้พรมเนี่ยนั่งขับนะถักไปครึ่งเดือนนะทางถักไปได้ครึ่งหนึ่งนะหรือแล้วก็ถักใหม่ โอ้ยผมถักจนตาเจ็บหมดแล้วว่ะกันะถ้าใครใช้ท่านทำบางทีก็ไอสายประคดเนี่ยนะโอ้ยทําอยู่นั่นน่ะแล้ใครไม่บวชไม่รู้หรอกว่ามีโอ้ยมีให้เห็นวิจิตพิสดารจริงๆโลกนี้นะ <c oughs> ตกแต่งรองเท้าตกแต่งไม้กวาดนั่งทํางินเป็นหลังขดหลังแข็งไปหมดเชื่อไหมถ้าอ่านพไระไตรปดกทนขนาดนั้นยังไงก็บรรลุกึ้นมาก็เชื่อนะ <c oughs> อาจจะทรงคำพีใดคำพีหนึ่งแน่นอนน่ะถ้าทําทนเท่านั้นอะ อันนะคือคือเขาแบ่งเวลาเนี่ยบางองค์เนี่ยนะทำดังอะไรเตชันอา่าเช้ามาไปบินธวตัตนะถ้ามีคนมาส่งอาหารก็เหมือนนั่งนั่งทํารอจนได้อาหารชันอาหารเสร็จก็ทําต่ออีกจนเพยเพล์เสร็จอาจจะพักตานิดหน่อยแล้วก็ทําต่ออีกจนค่ํำค่าเสร็จแล้วก็ไปอาบ น, าน้ำแเสร็จแล้วมาทําต่อนะจนได้เวลานอนเนี่ยนะโอ้ยทาหมกมุ่นมากเลยนะบางองค์ขยันอย่างนั้นจริงๆนี่แหละว่าเว้นแต่อ่านพระไตรปิฎกเว้นแต่ศึกษาคําสอนเท่านั้นแหละ พอจะฟังทำนะบอกแหมฟังเลยนิดหน่อยบอกปวดเมื่อยอุย้ยสารพัดเหตุยุงก็กวนแมลงก็กัด น, นะแต่ถ้าเป็นทํางานประเภทนั้นเนะี่ยทนได้เสมออย่างแม้กระทั่งอ่ะกรมก่อสร้างเหมือนกันโบกอิฐถือปูนเองเนะี่ยนะอุ้ยทำได้ทั้งวันทั้งคืนอุอยู่นั่นแหละจีวรนี่คลุกอยู่กับปูนหมดอ่ะอย่างนั้นอะทําได้ทําอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะโอ้ยจนกว่าจะเสร็จเนี่ยนะนะ มาแั้งเสร็จแล้วก็นั่งภูมิอกภูมิใจตรงกันข้ามเนี่ยมาอ่านสุดมีน่าอ่านพระไตรปิฎกไม่ได้ก็อย่างนี้เลยเนาะก็ <c oughs> บอกอะไรเนี่ยถ้ายังมีการงานเป็นที่มายินดียินดีในการงานถ้ายังทําอย่างนี้อยู่ก็เสื่อมแต่ถ้าไม่เป็นผู้มีการงานเป็นที่มายินดีไม่ยินดีในการงานไม่ประกอบเนืองเนืองซึ่งความเป็นผู้มีการงานเป็นที่มายินดีเพียงใดก็ไม่เสื่อม